ธรรมบทแปลเรื่องที่158เรื่องมารข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในบ้านพราหม์ชื่อปัญจส า, าลาทรงปรารบมารตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสู่สู่ข้างวะตะเป็นต้นตอนเด็กหญิง500เล่นนักษัต ความพิสดารว่าในวันหนึ่งประศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปฏิมักของเด็กหญิงห0 0จึงเสด็จเข้าไปอาศัยบ้านนั้นอยู่แม้เด็กหญิงเหล่านั้นในวันนักษัตว์วันหนึ่งไปสู่แม่น้ำอาบแล้วประดับตกแต่งแล้วบ่ายหน้าสู่บ้านไปแล้วแม้ประศาสดา เสด็จเข้าไปสู่บ้านนั้นเที่ยวไปเพื่อบินทบาทมารเข้าสิงในสรีร่างของชาวบ้านทั้งสิ้นได้ทำอย่างที่พระสัสดาจะไม่ได้แม้มากว่าภิกษาทัพีหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูบ้านทูลกับพระสัสดาซึ่งเสด็จออกมาด้วยทั้งบาทตามที่ล้างไว้แล้วว่าข้าแต่พระสมณะท่านได้ก้อนข้าวบ้างไหม พระศาสดามานผู้มีบาปก็ท่านได้ทำโดยอาการที่เราไม่พึงได้พิษาหรือมานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากระนั้นขอพระองค์เสด็จเข้าไปอีกเถิดได้ยินว่ามานได้มีความคิดอย่างนี้ว่าหากว่าพระสมณะจะเสด็จเข้าไปอีก เราจกเข้าสิงในสรีร่างของชนทั้งปวงแล้วปรบฝ่ามือกระทำการหัวเราะย่อข้างหน้าพระสมณนี้ในขณะนั้นเด็กยิงเหล่านั้นถึงประตูบ้านเหิมพระสัสดาถาวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ณน่วนข้างหนึ่งฝ่ายมานทูลกับพระสัสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์เมื่อไม่ได้ก้อนข้าวจะเป็นผู้อันความทุกข์อันเกิดจากความหิวบีบคั้นบ้างไหมตอนผู้ไม่มีกังวลสเสวยปีติแทนอาหารพระศาสดาตรัสว่ามารผู้มีบาปในวันนี้เราแม้ไม่ได้อะไรอะไรก็จักยังการให้น้อมล่วงไปด้วยความสุข อันเกิดจากปีติเท่านั้นดุจพรมในเทวโลกชั้นอาภัสราแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าสุสขังวัตชีวามะเยสั่นโนนติกินจนังปีติพักาภวิสามะเดวาอาภัสรายท่าเราผู้ซึ่งไม่มีกิเลสชาติเครื่องกังวล ย่อมเป็นอยู่สบายดีหนอเราจะเป็นผู้มีปีติเป็นภักษาเหมือนเหล่าเทวดาชั้นอภัสระตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเยสันโนความว่าบรรดากิเลส ช, ช, ช, ชาติเครื่องกังวลมีราคาเป็นต้นกิเลสชาติเครื่องกังวลแม้อย่างหนึ่ง โดยอาจว่าเครื่องผัวพันธ์ไม่มีแก่เราเหล่าใดบทว่าปีติพักาความว่าเหล่าเทวดาชั้นอาภสระเป็นผู้มีปีติเป็นพักษายังการให้น้อมล่วงไปฉันใดแม้เราก็จะเป็นฉันนั้นในการจบเทศนาเด็กหญิงทั้งห้าร้อยเหล่านั้น ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลดังนี้แลเรื่องมาร